คิดกับหลวงพ่อหลวงพอ่พ อ, พอปฏิบัติมาแบบนี้สอนมาแบบนี้เบนมาแบบนี้เหแบบนื่ยแบบนี้เห็นแล้วก็จริงอย่างที่ว่าไในเรื่องการกราบก็เหมือนกันช่วงระยะหนึ่งก็มีการถกเถียงกันเรื่องการกราบกราบไปยกมือเอาไว้ตรงนั้น น, น, น, น, นี่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นมานี้ก็มากราบเป็นจังคำบิดแบบหลวงพ่อเทียนเลวพ่อจับมือขนาดหลวงพ่อจับมือก็เลยจําเป็นก็ต้องเอาวิดีโอของท่านมาตัดสินว่าทิศถีอของคนนี้ของคนอันนี้หมาถึงว่าเรื่องของคนอื่นส่วนอื่นนั้น อย่าไปอย่าเพิ่งไปใส่ใจกันมากได้เกิดเรื่องตัวของเราเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนที่เป็นสิ่งที่สําคัญเห็นแล้วมองเห็นแล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เห็นแล้วรสึกว่าเอออ้าวก็แล้วแต่ใครจะทํานี่จะทําแต่เราอยากยามาโกหกเราก็แล้วกันว่าหลวงพ่ออยู่เป็นอยู่ยังไงนี่เป็นยังไงแค่มันยังไงเป็นอยู่ยังไงนี่ไงเราเรารู้แล้วพอเข้าใจเราสัมผัสได้นี่ได้อยู่กับท่านนี่ก็ท่านมานานนี่มานานบางท่านบางคนบางท่านบางองค์ก็อาจะโมเม แต่ก็ไม่ว่ากันนะก็แล้วแต่ใครจะทํานี่จะทําเพราะฉะนั้นว่าเราไม่อยากจะให้สําคัญในให้ความสาคัญส่วนนั้นแต่เราอยากจะให้ความสําคัญกับการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงใครจะอยู่ใกล้ไม่ใกล้ก็ตามนี้ก็ตามแต่ถ้าเราสามารถที่จะสัมผัสกับชีวิตตัวเราจริงๆได้แล้วนั้นอันนั้นถูกต้องที่จะอยู่ใกล้หลวงพ่อเทียนก็ตามไม่อยู่ใกล้หลวงพ่อเทียนก็ตามไม่รู้จักหลวงพ่อเทียนก็ตามเหมือนกับพระเจ้าของเรานั่นแหละ ถ้มีการประพฤติปฏิบัติทําเลยเข้าใจเห็นเห็นใจเห็นจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ขึ้นมาก็สามารถที่อยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าถ้าไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าจับเอาไว้เนี่ยไว้พระพุทธเจ้าก็ว่าแม้จะจับชายกีบวนของเราอยู่ก็ไม่เชื่อว่าเห็นธรรมเห็นเราเห็นเราเห็นเราตถาคตอันนี้ก็เหมือนกัน่ะที่เราทําในขณะ น, นี้สร้างในขณะ น, นี้พยายามที่จะสร้างขึ้นมาในขึ้นมาเพื่อเป็นกุญแจลูกเอกเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะไขเข้าไปสู่ประตูชีวิตของเราให้มันได้ ไม่ให้ใครไม่ให e iba, i, ้ใครอื่นมาหลอกเราได้นี่เราได้แต่ยิ่งปัจจุบันนี้เป็นเป็นยุคที่มีความร่อแหลมกันมากแม้ต่เรื่องความเชื่อก็เหมือนกันแม้ต่เรื่องภาวะเศรษฐกิจภาวะอะไรต่างๆก็ตามแมในเรื่องความเชื่อของศาสนาก็เหมือนกันเรารู้สึกว่าเรื่องของศาสนาันเป็นเรื่องที่เอียดอ่อนพอสมควรก็เลยฉกเฉยโอกาสคนที่เฉลยโอกาสส่วนนี้ก็มีเยอะเอาศาสนาเป็นตัวอ้างเอาศาสนาเป็นเครื่องล่อเอาศาสนาเป็นเครื่องรู้ปะ ผ้าเหลืองเป็นเครื่องมืออลามหากินอย่างงามให้และว่าอีกทีในคาคำหนึ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านกล่าวว่ากรรมฐ า, านกรรมถอกกรรมหลอกเอาเงินฉันเป็นพระกรรมฐ า, านแต่พอฐานไปฐานมาฐานมาฐานไปแล้วคือโอ้อยากโยมอันนั้นก็ขาดอันนี้ก็ขาดอันนี้ก็ไม่พออันนี้มันก็ไม่พอนี่ไม่พอเลยกลายเป็นเรื่องวัตถุกันไปนี่กันไปเรื่องสร้างเรื่องเจริญในด้านวัตถุกันไปนี่กันไป แต่ทีนี้เราไม่ทำลักษณะนั้นมีมาเราก็เอาไม่มีมาเราก็ไม่ต้องขอไม่ใ่าจัดการจัดงานก็เหมือนจัดการจัดงานก็เหมือนกันเราทำได้เราก็ทำทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำเพราะว่าเราจะให้ความสำคัญเราจะอยู่เป็นอยู่ลักษณะให้มีความสงบไม่ให้อยู่ให้ไม่ให้ความให้ไม่ให้วัตถุนิยมนั้นมาครอบงาจิตใจของเราแต่ใช้มันไม่ใช่เลยไม่ใช้มันใช้มันแต่อย่าให้มันใช้เรา สติชั้นระยะของเราจะพยายามที่ไหมันครอบคลุมให้มากจะให้มันเข้ามาครอบงำซะจนไม่มีอิสระในการตัดสินไม่มีอิสระในการเข้าไปจัด ก, การกับสิ่เหล่า น, นั้นพอนเวลาอาตมามีความมั่นใจว่าการกระทําหรือการปฏิบัติธรรมแบบนี้มันเป็นเรื่องชีวิตของเราจริงๆรนี่จริงๆไม่ใช่เรื่องหลอกเรื่องหลองไม่ไม่ใช่เรื่องหล อ, อ, อ, อ, อกกันแล้วมันเป็นตัวสัมผัสจริงๆริงในการกระทํา อย่างพวกอย่างญาติโยมนี้กำลยกมือมีความรู้สึกตัวในขณะทุกขณะมันสัมผัสได้แล้วก็เห็นได้ด้วยตาของเหล่านี้ของเราไม่ใช่เรื่องลิมิตเรื่องสีเรื่องแสงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนี้ฝันออกไปแต่เป็นเรื่องตัวเป็นตัวสัมผัสแล้วจับอะไรมีความรู้สึกตัวเปลี่นตัวสม่ำเสมอไม่ไม่ใช่เรื่องโอ้บางคำ บ, บางท่านบางคนว่าพผู้ได้เจ้าลงมาเทศโปรดเทศนาสัส่งสอนโปรดให้ฟังนใงีให้ฟังตืนขึ้นมาแล้วคือโอ้ปิติมีปีหนึ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแต่ของใครก็ไม่ว่าเลยเนาะ บอกว่าเขาฝันเขาฝันเขาฝันว่าเขาไปเข้าไปบ้านบ้านหญิงสาวหญิงหญิงหญิงสาวที่เคยรักกันนี่กันชอบกันแต่ที่ผู้หญิงคนนั้นเคยชอบเคยรักเคยชอบกันเขาก็ยิบยื่นสิ่งของนี้ให้พอหยิบยื่นสิ่งของให้เขาไม่รับพอเขาไม่รับเขาเกิดความภูมิใจว่าโอ้เรานี่สําเร็จแล้วขนาดสิ่งของที่เขาเอาให้เรายังไม่รับขนาดในความฝันเรายังไม่รับบอกอืมเราสําเร็จแล้วสําเร็จกับความฝัน มันค้างมาขนาดตระมาฝันว่าตราจจะมาเป็นพระราหันแต่กลับขึ้นมามันยังเป็นกลายเป็นพระคอหันเลยมันไม่แน่นอนเลยพวามฝันแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะส่วนนี้มันมีความแน่นอนมากกว่าไม่ใช่เรื่องความฝันเป็นเป็นเป็ น, ปนมั น, เ ป, นเป็นเรื่องจริงที่เราจะสัมผัสได้เลยขณะใดเรามีสติสัมปชัญญะอารมณ์ต่างๆที่มากระทบลูกสึกมันมีพลังพลังสติสัมปชัญญะตัวนี้พลังที่จะต่อต้านพลังที่จะกาจัดมันออกไปมีออกไป สะสมมากขึ้นแม้แต่อะไรบทใดก็าตามที่ยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดขึ้นและกับตาหาจใจอ้าปากพยายามที่จะทําให้มีสติเรียกร้องสติสมัมปชัญญะตัว น, นี้ให้มีมากขึ้นไม่ใช่ปล่อยปะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้อาจจะนั่งยืนเดินนั่งนอนอาจจะมีความเคลื่อนไหวกันไปนี้กันไปปล่อยให้ความคิดมันปรุงมันแต่งไปมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งอยู่ในลักษณะนั้น พอนั่งไปนั่งมาพอนั่งพออยู่ในอาการความสงบแป๊บรู้สึก e, มันมีตัวเขาตนของเราเนี่สึก e, มันเหมือนกับเราเราหาะได้ลอยได้เบาเบากายเบาจิ au, ตเบาตนเบาตัวของเรานี่รู้สึกว่าโอ้เดินไปไหนมาไหนรู้สึกมันมีความปิติมีความอิ่มใจแต่พอไปสะดุดสิ่งได้สิ่งหนึ่งพอไปสะดุดกับอารมณ์ส่วนหนึ่งรู้สึกว่าปั๊บขึ้นมารู้สึกโอ้โหตายหล่นตุ๊กลงไปเลยแม้แต่เราเดินจงกรมอยู่บางครั้งขางนาดมันอารมณ์ส่วนนั้นมันก็ยังมีอยู่ความสงบมันก็ยังเข้ามาครอบงำอยู่ มีโยมคนหนึ่งก็เดินจงกรมเดินขณะเดินจงกรมอยู่นี่นหะเดินเดินเดินเดินเดินไปเดินมามีคนไม่รู้คนเปียกนิดๆยังไงเกิดขึ้นมาเกิดมีสร้างศพนอนขวางทางทางเดินจงกรมของเขาอยู่เขาก็เกิดความตกใจกลัวกลัวขึ้นมาวิ่งหนีเลยพอวิ่งวิ่งไปหาครูอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าใครเอาศพเอาเอาศพเอาขวางทางทางเดินจงกรมของผมมันนอน กำลังขึ้นเอวขึ้นพองอยู่เขี่ยวอยู่รักนั้นที่นั่นน่ะที่ไหนนี่ไห น, ไหนก็อาจารย์คุยอาจารยก์ก็บอกไม่ใช่มันไม่ใช่อันนั้นเป็นเพียงอารมณ์เป็นเพียงนิ m i t เกิดขึ้นมาเราดูให้มันชัดชัดลงไปสิไม่ใช่ได้ไงกันาผมเห็นอยู่ในขณะาจาผมกลัวผมก็วิ่งมาในตาถลนไปเบ้าโอ้น่ากลัวมากนี่มากอพูดไปพูดมาแล้วบอกให้กลับไปดูนี่ไปดูกลับไปดูว่าก็มีอะไรเพราะในขณะนั้นเราต้องกันเราต้องเอาเราไปอยู่ในความสงบแล้วก็จิตของเราก็ไป บางคนเขาบอกว่าแม้แต่นั่นกับมาสานพวกที่ทําเรื่องเกี่ยสุภาะเพ่งอสุภาะมองดูร่างกายหนังสือมันเฉียวมันกระซ้าศพตอนนั้นอยู่วัดสนามนายโยมก็มาถามมาคุยฉันมีคสามารถที่จะมองมองมงคนทุกคนนี้เป็นกซ้าศพแม้ขนาดนี้มองดูตัวเองว่ามันเป็นกรซ้าศพเฉียวปัดจุดเลยนี่เลยกาลังขึ้นเหลือดขึ้นผองอยู่นี่อยู่ก็เลยถามนั่งอยู่ด้วยกันสองสามคนสามสี่คนคนสามสิ่ห้ากับบัตมา สามคนมองคนคนที่เขาบอกว่าเขาสามารถเขาดูตัวเขานึ่งศึกขึ้นกําลังขึ้นหรือขึ้นผองเขียวสามคนเขามองเขามองก็เป็นมุ่งปกติภาวะปกติแต่ว่าคนนั้นเขามองผิดเรื่องผิดจิตของเขาผิดปกติของเขาเพราะไปเพ่งในอารมณ์ไปเพ่งในสิ่งเหล่านั้นเสียจ น, นมันเกิดความภาพนี้เป็นติดจิตติดใจของเรานี้ของเราภาพร้อนร้อนจิตหลอนใจของเขาในของเขา แต่ก็ยากในการที่จะถดถอนออกมาเนียกมามีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเอาทราบเขาเอาภาพที่เขาแหวะผ่าศพนี้ออกมาสับไตไส้ปอดอะไรต่างๆมาดูนี่มาดู เ, าเป็นเรื่องอสุภกรรมฐ า, านดูแล้วไม่สวยไม่งามอันนั้นมันยังไม่พอมันเพียงแต่เอาเอาอารมณ์เอาความรู้สึกของเราไปสุดรับรู้ไอ้ส่วนนั้นเท่านั้นเองแต่สติสมัมปชัญญะของเราพอมันเกิดขึ้นมามันไม่พอ ไม่มีกําลังพอที่จะต่อต้านไม่มีกําลังพอที่จะดึงเอาไว้อันนี้เขาถึเขาเล่าไม่ไม่รู้เรื่องจริงเรื่องไม่จริงพระกรรมาฐานเขาไปอยู่ในป่ากับชาวเขาชาวเขานี่เขาไม่แต่งเนื้อแต่งตัวนี้สึกว่าโอ๊ยอะไรต่างๆก็ปล่อยให้มันตรงเต็งตรงเต็งไปหมดนี่ไปหมดเห็นแล้วรู้สึกมันโอ๊ยตรงไม่มีแล้วเรื่องราคาเรื่องโทรศาพเรื่องจัลิลราคาจัลิลจัลิลท า, า, ง, างสารหมดแล้วแต่พอกลับเข้ามาในเมือง มันไม่เป็นแบบนั้นนะดูหน้าตาก็จิ้มลิ้มดูหน้าตาก็สดใสดูนะโอ้สารพัดดูแลโอ้จุดไหนจุดไหนมันก็สวยหมดสภาวะจิตหล่นตูบลงไปเลยดังนั้นว่าถ้าเราอยู่ในอิรนไตก็ตามถ้าเราขาดสติสัพชัญญาสิ่งมันอันตรายไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยในชีพความเป็นอยู่ของเรนี้ของเร า, เ, ราเพราะฉะนั้นเรามาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองดูบ้าง ในการในการเป็นอยู่ในในชีวิตปัจําวันของเรานี้ของเราปัจจุบันนี้สังคมกําลังเป็นโรคขาดภูมิคุ้มกันบกพร่องอยู่ตลอดสภาพชีวิตจิตใจของเราขาดภูมิคุ้มกันนี้คุ้มกันมีอะไร ก, กระทบปุ๊บรู้สึกมันห่อเหี่ยวมันเหี่ยวจนแย่มากทีเดียวนี่ทีเดียวเพราะว่าเรามาสร้างภูมิคุ้มกันให้ตน เ, น, นเองนี่ตนเองสร้างสติธรรมญาตของเราเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตของเรานี้ของเราอย่าไปสนใจส่วนอื่นส่วนอื่นมันมีเราแต่มีมันเกิดขึ้นมาก็ช่างมันเถอะเรามาลองมาสนใจกับส่วนนี้ลองดู ยืนเดินนั่งนอนวิ้งอีกวันนี้ว่ามันที่สองที่สามสี่ห้าวนันที่ห้ากันเช้าก็จะเลิกกันนี้สามสี่นี้สามสี่นี่ก็คงจะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่นี่เราลองใส่ใจลองดูปุ๊กปลุกความรู้สึกตัวก็เรหลอขึ้นมาลองดูการพูดการคุยการสิ่อสารต่างๆ่างนั่นก็อันนี้ที่เห็นเนนะญาติโยมก็ทํากันดีคนเท่าคนแจกตามทำทําก็ทําก็ดีนี่ก็ดีถึงเวลายังไม่ถึงเวลาได้เวลาผู้ก็ขึ้นมาทําความเพียรตนเองนี่ตนเองอยู่ลักษณะนั้นอืม เพราะการปฏิบัติเนี้เราต้องประคับประคองมีความรักในการกระทามีความรักในการที่จะทะนุถนอมในสิ่งที่เราต้องการอยากจะทะนุถนมความรู้สึกตัวของเราเนี่ยค่อยๆประคับประคองตบค่อยๆตบค่อยๆแต่งลองดูนี่ลองดูในแต่พิสูจน์สามเณรเราก็เหมือนกันอย่างลูกเนมก็อย่าเอาไว้ความสุขสนนี้มามาเริ่นกันเกินไปนี่เกินไป เาวา้งความสุขสนุกมาเล่นแล้สึ่งมันก็เล่นเล่นอย่างผู้มีสติสมสัช ย, ย์ลองดูนี่ลองดูยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียดขึ้นใบกับพุทธาหายใจอาปากต่างๆนี่พยายามที่จะทําให้มีความรู้สึกตัวเตรียมตัวขึ้นมาลองดูนี่ลองดูชีวิตข้างหน้ามันอาจจะมีชีวิตที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานี่ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวพร้อมให้ดีอย่าพั้งเผลอไปแล้วก็ช่างมันกลับมาใหม่รู้จักให้อภัยกับตนเองนี่สิบ้าง แต่คนแต่ส่วนใหญ่นั้นเรานั้นเข้าใจจะให้อภัยแต่คนอื่นแต่ตนเองพอตนเองทําผิดพลาดลงไปนี่ลงไปไม่ยอมให้อภัยหัดอภัยทั้งตนเองให้แล้หัดอภัยให้กับคนอื่นดูสิบ้างนี่บ้างจดอะไรจะเกิดขึ้นความสงบสุขมันก็เกิดขึ้นเราไม่ต้องไปเรียกร้องหาที่ความสงบอยู่ที่ไหนนี่ที่ไหนอันนั้นน่ะเพราะงนะนั้นว่าญาติโยมผู้ที่มาอยู่ร่วมกันก็ดีวันอีกวันสองวันนี้แล้วสามกวันนี้ละ <c oughs> พยายามอยู่กั บ, กบตัวอยอยู่กับตัวของเราลองดูนี้ลองดู เวลาทานเวลาฉันฉันเสร็จสับแล้วก็กลับเข้าไปยินที่ที่พักของเรากคดินเดินจงกรมทำความเพียรของเรานี่ลองดูประคับตระคอความรู้สึกตัวของเราลองดูนี่ลองดูอะไรมันจะเกิดขึ้นอย่างที่หลวงพ่อคำเสียนท่านกล่าวว่าเจ็บวันนี้เรามาอยู่กับความรู้สึกตัวของเรานีหนึ่งปีหนึ่งอาจจะอยู่กับความรู้สึกตัวขเาขาครึ่งปีก็ยังดีชั่วโมงหนึ่งอยู่สักสี่สิบห้าสิบนาทีก็ยังดีดีกว่าทีาไ่ไปอยู่กับการปูงกันต่งอยู่กับไปอยู่พยามานัน ดังนั้นว่าโอกาสและเวลาของเรานั้นเป็นส่วนเวลาของเรามากที่สุดที่สุดในแต่วัดโมกก็ไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วกับใครวัดโมกก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ที่ว่าจะให้ใครพอเข้ามาอยู่แล้วอยู่จะอยู่แล้วจะหลุดพ้นไปเลยนี่เป็นเลยก็ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องอาศัยการกระทํามันต้องอาศัยขยับธาตุรู้ให้มันเปลี่นขึ้นมารู้สึกกายรู้สึกใจกายก็รู้สึกใจเราก็รู้สึกตัวอยู่สมงเสมอ เขาจะว่ายังไงก็ช่างมันนี่ช่างมันไม่ไม่ด้เกี่ยวข้องกับเรานี่กับเราแม้แต่ตัวอาตมาก็เหมือนกันลงไปในลงไปกรุงเทพเมื่อเมื่อไม่นานก็มีข่าวแล้วบอกว่าข่าวลือข่าวลือข่าวล่าข่าวลือข่าวเล่าว่าพระคุบาวัดโมกสึกไปแล้วก็เลยว่าเออดีเราไม่เป็นข่าวเขาเป็นข่าวให้เรานี่ให้เราก็าที่ก็ยังดี เพราะฉะนั้นว่าข่าวข่าวก็คือข่าวความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงดังนั้นว่าเราจะอยู่ยังไงอยู่กับข่าวหรืออยู่กับความเป็นจริงหรืออยู่กับความภาพหลอกหลอนตัวเราของเราเนี่นยหลอนแม้แต่ตัวข้างเราเองมาขม้ามาขนาดก็หลอนตัวของเราเองหลอกตัวเราเองมาตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ขอให้ญาติใหโยมตั้งอกตั้งใจให้ดีนี้ให้ดีในการประพฤติปฏิบัติทำลอลองลองดูพิสูจน์คาสั่งสอนของพระริจ่าลองดูดูไปพิสูจน์ไปคำสั่งสอนของหลวงพ่อเทียนลองดูว่าการปฏิบัติแบบการเคลื่อนแบบนี้สามารถที่จะทำให้เราค้นทุกข์ไดห พ้นในพ้นเป็นเรื่อีมันมันเป็นคนละนี้หรอกแต่ว่าถ้าเรามีสติสมัชย์ญานี้เราไม่ต้องไปเรียกร้องความทุกข์กันเกิดขึ้นที น, นั้นมจะหายไปเองนี่ไปเองแต่ถ้าเราอยู่ได้กับความปรุงความแต่งของสังขารบางครั้งบางคนบางท่านบางอาจจะนอนไม่หลับบ้างนี่บ้างการระบายาต่างๆนี่ท่านเกิดอู้สารพัดลองมาอยู่แบบนี้ลองดูแบบง่ายง่ายแบบสะดวกสบายอย่างเงี้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นมีที่สุ่เราก็เหมือนกัน ทำลองดูสร้างความเพียรทำความเพียรของเราให้มีความเข้มแข็งขึ้นมากขึ้นลองดูยิ่งปัจจุบันนี้ภาวะนึ่งข่าวค่าวเรื่องของพระสงฆ์นี่พระสงฆ์นั้นสึ่งมันมันมีข่าวขา่ขาวาเรื่องที่จะต้องน้าเป็นห่วงแต่นั้น ม, มันไม่ได้เกี่ยวง้งกับศาสนาพุทธศาสนาแต่มันก็กระทบพอสมควรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งนี้มันมีอยู่ก่อนแล้วแต่เราเป็นผู้ค้นพบเท่านั้นเองจะเกิดพระพุทธเจ้าจะเกิดมาก็ตามไม่เกิดมาก็ตาม ม, มันไม่เสื่อมสลายไปไหนไนี่ไปไหนเว้นแตคนจะสสนใจหรือไม่สนใจเมื่อไม่สนใจก็ไม่รู้ส่วนนี้แต่สนใจก็สามารถที่จะพลิกความรู้สึกพุิกความเป็นพุทธะให้มีการสว่างไสวให้มากให้เกิดขึ้นมาก็ก็ได้นี่ก็ได้เพราะฉะนั้นว่าความสมนใจมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่เรามีความสนใจมีความใส่ใจมากน้อยแค่ไหนในการประพฤติปฏิบัติในการที่จะพิสูจน์ความจรงิงให้เกิดขึ้น ดังนั้นให้ญาตเดิมตั้งอกตั้งใจในการกระทําให้ดีเนี่จดีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานี่ขึ้นมาบางครั้งมางขนาดบางสิ่งบางอย่างเราอย่ากเก็บมาเป็นอารมณ์ของเรานี่ั้งเราตาก็ใช้มันถูกต้องหูก็ใช้มันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่ถูกต้องใช้ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั้นสิ่งมันก็อันตรายเหมือนกับมีมีสำนักสํานักหนึ่ง <c oughs> มีลูกศิษย์มีลูกศิษย์คนหนึ่งแต่ถ้าก็ตาเสียข้างหนึ่ง แต่วัดนั้นก็มีมีกติกาเขาบอกมีกติกาว่าถ้าใครจะมาอยู่อคันธุกะจะมาเข้ามาพักอยู่ต้องแสดงธรรมในลักษณะเงียบโต้ตอบกันลักษณะเงียบใครชนะคนนั้นก็ถือว่าได้พักอยู่ในวัดพอวันหนึ่งมีพระอคันธุกะองค์หนึ่งมานี่มาต้องการที่อยากจะพักก็ไปแจ้งเจตจานงให้กับเจ้าวาเจ้าวาดก็ให้ไปหาพระที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอก็เลยทดสอบอแสดงธรรมทดสอบกันนี้กัน พอไปนั่งทำสมาธิได้ว ด, ว ย, ด, ว, ยดวยกันนี้ด้วยกันแล้วก็บอกว่ายกมือยกนิ้วขึ้นมือนิ้วหนึ่งแล้วก็นั่งคนนั้นก็กว่าเออ อ, อีกเจ้าเจ้าของถิ่นก็ยกมือขึ้นสองนิ้วอคันธุกาก็ยกขึ้นมานอีกนิ้วหนึ่งทีนี้เจ้าของถิ่นก็โน่นไม่ไม่ไหวนี่ไหวก็ชูกันปั้นขึ้นมาอืม คนที่มาพักอคันตุกะมาขยกนิ้วน้วหนึ่งหมายถึงพระพุทธแต่ทีนี้ไ อ, คอ้คนที่ตาบอดในคนที่ตาบอดข้างเดียวเจ้าของถิ่นนั้นคิดว่าเขานั้นดูถูกกันเองเขาค่ะว่าเรามีมีตาเดียวก็เลยขอบบอกขอบใจว่าขอบใจที่ว่ามีตาเดียวนี่เห็นมองเห็นอยู่ไหนก็ เ, เขาก็เลยยอ้ยอนว่าดีที่เธอมีสองเธ อ, อ, อมีสองตาแต่คนนั้นคนอคันตุกะในเขาว่าเขาเข้าใจว่าสองคือพระธรรม ทีนี้เขาก็เลยยกสามนิ้วพอสามนิ้วขึ้นมาก็ไอคนนั้นก็บอกว่าผมกับคุณรวงกันได้สามตาอีกคนอคันดูก่กาวว่าพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ความสขความชิดนี่ตรงกันนี่ตรงกันทีนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมกันอยู่คืออันเดียวอันนี้อันนี้คนไม่ไหวว่าเขาหาหาว่าเขาดูถูกตนเองนี่ตนเองผมกับคุณมีสามตาสูกันปั้นขึ้นเอาไวชกตา คนละอย่างกันเลยคนละคิดคิดคนละอย่างกันเลยนี่กันเลยอีกคนหนึ่งบอกว่าหนึ่งคือพระพุทธสองพระธรรมสามพระสงฆ์แต่อีกคนหนึ่งรรว่าผมมีเขาดูถูกเรา ล, ลนี้ตาเดียวอ่าก็บอกว่าเออดีคุณยังมีสองตาแล้วท่แถมยกขึ้นมาอีกเขาดีแล้วผมกับคุณมีสองแต่มีสามตารวมกันมีสามตาทนไม่ไหวนี่ไม่ไหวคําปั้นจะชกปะก็ไปเนี่ยไปวงค์ที่อาคันตุกาก็ยอมแพ้แพ้ก็กลับออกไปเนี่ยไปสู้ไม่ได้พอกลับมาเขามานี่ยเขามาเป็นยังไง ไไแม้ไปไหนแล้วนี่ตปไหนแล้วทำไมหล่ะรู้แล้วเร า, าชนะชนะผีอะไรเดี๋ไปชกตาวันนี้แม้มันดูถูกกันได้นี่ก็ได้เรามีตาเดียวก็รู้ถูกเรานี่เราอันนั้นความเข้าใจผิดความเข้าใจไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนี่เป็นจริงนั้นลักษณะของเอา อ, อัตตลูกผีขึ้นมาเป็นตัววัดเป็นตัวกําหนดในการเป็นอยู่ในการกระทําเพราะฉะนั้นก็ ฝากใยัดให้โยมท่านพี่เพ <Será> ื after, ่อนทุกสุสัมมณีนทั้งหลายนี่ทั้งหลายมีความตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมการในกันก็เลยเวลาอีกไม่กี่วันพวกเราจะได้อยู่ร่วมกันนี้ร่วมกันในการประพฤติปฏิบัติมีอะไรขัดข้องมีอะไรที่จะเราสามารถที่จะแก้ไขได้นี่ได้คือวายจันท์ที่เดินผ่านไปนี้ไปก็พูดคุยกันได้กับท่ถามกับท่านได้นี้ได้ต่างๆนี้ต่างเพราะเราไม่ต้องเราไม่จะไม่อยากจะจัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยากจะให้คนทุกคนรับผิดชอบตนเองนี้ตนเองลองดู ไม่ใช่ไหให้คนอื่นมารับผิดชอบไม่ค่อยค่อยคนอื่นมาตักมาเตือนเราให้เราเตือนข้องตัวของเราเองลองดูนี่ลองดูเพราะว่าการปฏิบัติตามนี่มันจะอยู่กับหลวงพ่อเตียนไม่ไม่อยู่ปฏิพฤติปฏิบัติคนไหนพูดคุยท่านท่านจะไม่คุยชอบไม่ได้เข้าไปคุยนะก็ไปหาแต่ถ้าคนไหนที่เจ็บอารมณ์ปฏิบัติอยู่คนหนึ่งคนเดียวนสกว่าโอ้ oh, ท่านพูดท่านคุยบ่อยบ่อยบางคนว่าโ oh, อ้หลวงพ่อเถียนไม่ค่อยเข้ามาหานี่มาหาเพราะพอเห็นท่านท่านก็ทําท่าทําทางเดินจุกกลมก็พยายามที่จะเห็นเห็นแล้วก็เห็นพอเห็นท่านเดินผ่านใจท่านยกไม้ แต่พอท่านออกไปแล้วก็นั่งเจาะคุยกันอยู่นี่กันอยู่เพราะฉะนั้ น, นก็ตั้ง อ, อกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะนละที่อาจมาพูดมาก็เล็กๆนี้นะสิ่งบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเกิดประโยชน์บ้างบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ไอสิ่งที่เกิดประโยชน์ก็เก็บไว้สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ทิ้งมันไปนี่มันไปตัวใหญ่สําคัญก็คื อ, อที่ตัวเรานั่นแหละความรู้สึกตัวอยู่ที่ตัวข้างเรานั่นแหละไม่มีใครคนอื่นที่จะทำให้ได้พราะแม่จะทําให้กันก็ไม่ได้ลูกจะทำไม่พ่อให้แม่ก็ไม่ได้พระพิสูจะาาใ้ตมจห้ เวเนยสัตว์ทั้งหมดก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวของเราที่จะต้องทําแต่ถ้าพูดถึงเรื่องที่เราจะทําเองนั้นสื่อว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยอยากจะทํากันเท่าไหร่อยากจะอ้อนวอนเอาเวงสงวนเราเนื่องใง่ายดีนี่ดีดังนั้นก็ขอให้ญาติโ ย, ยมทั้งหลายทั้งอกทั้งใจในการละที่พูดมาวันนี้ก็สมควรจะเวลาจะจบไปเพียงเทนี้ <c oughs>